ีจะอธิบายเธออย่างวิธีหาจิตจิตนีเรื่องของสำคัญที่สุดเกิดจะเป็นมนุษย์ต้องมีจิตทุกคนแต่หากล้ไม่เห็นจิตเราใช้จิตมาเกิดเราเกิดแตเพราะจิตเราเป็นอยู่แตเพราะจิตเราจะตายไปเพรเพราะจิต แต่จิตแท้นั้นคือตัวอะไรหาก็ไม่เห็นลืนตาขึ้นมองหาไม่เห็นตัวจิตตัวไม่สาบไปอยู่ไหนจิตนี้ต้งหากว่าเราสังเกตดูแล้วนะไม่มีตัวมีตนความรู้สึก ความนึกควาคิดนั่นแนหะคือตัวจิตอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ว่าลืมตาแล้วไม่เห็นถ้ารับตาแล้วเห็นนะถ้าหากเราไม่เห็นตัวจิตั้าไม่จิตมันพาให้เราไปเที่ยว่อนทุกสิ่งทุกอย่างวิเวททั้งหลายสพัดทั้งขวาวัตทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตทั้งนั้น ที่ท่านพูดถึงเรื่องเจตจิตก็คืออาการของจิตที่ล้วยกอิเลชทั้งหลายนอกจากทั้งประการนั้นก็เกิดจากจิตอต่เดียวแต่ผู้ที่เห็นในหลา ย, ร, ลายรู้หลายนั้นคือรู้หลายรู้เรื่องตำราแต่ตัวจิตแท้ไม่เห็นว่าตามตำราที่เคย ท่านว่าแล้วก็ว่าไปตามนี้นแหละวิริย์ขันหาขันหาน้อยแต่กว่าไปตามเรื่องสัมราวนัดตั้งตนตั้งแต่ขันหาอาญาณะวิละไปขันหาเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสีงขามียญญานนี่นเรียกว่าขันหาหลวมว่าเรียกว่านนี้สองอย่างคือมีรูปกกำนาน ทำใหลูกกำนาแล้วพูดทัท้ทงนึงนามนั้นไม่เห็นเลยลูกเห็นได้นามมันคือจิตทำยังไงพวกเราจะเห็นจิตทำให้จิตพาเราว่อนอย่างนี้แหละเที่ยวเหนือล่องใต้สถานทุกอย่างทุกประการไฟทั่วทุกทิศทุกทางเลยแล้วคุณจิตไม่อยู่รักษาจิตไม่ได้ พาให้เราทุกข์เราร้อนพาให้เาเป็นเต่าโศกเสียใจอะไรอวบนก็จิตนั่นแหละทั้ง ม, มีจิตหรไม่มีอะไรหรอกตัวของเราเหมือนกะทถอนไม้หรือถอนฟืศไม่รู้สึกเลยให้จะสับจะบันให้จะเผาเยยอะไรต่างทุกอย่างไม่รู้สึกถึงนะ ตากดเห็นทางตาก็เรียกว่าจิตแต่คนไม่เห็นตัวจิ ต, จตแต่เห็นแต่ทางตาที่ตาเห็นนะเข้าใจว่าจิตไม่ใช่จิตตาเห็นหต่างแสงกระทบเขามันก็เห็นเท่านั้นหูได้ยินก็เหมือนกันหูมากระทบเขามันก็ได้ยิน แต่โมกตัว่ิตเลี่ยนตัวกายตัณฑ์อะไรต่างๆวัตถิงอันนั้นไม่ใช่ตัวจิตอันนั้นเป็นเรื่องกระทบกันดังหันกระทบแล้วก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปแล้วอะไรอีกคราวี้จิตหาลองดูในตัวเรานี่แหละหาวัตถุสิ่งทุกอย่างน่ะมันอยู่ที่ไหน จิตแท้มันอยู่ที่ไหนกันเมื่อหาจิตไม่เห็นแล้วมันคนที่หาจิตเนี่ะมันไม่เห็นคนใหนเป็นคนหามันยังมีอีกซ้อนอีกเลยคนหาจิตเนี่ยใครเป็นคนหามีแต่คนหาไม่รู้จักมีแต่สิ่งที่หาสิ่งที่ไปหานั่นเห็น เห็นหรอแต่ผ <telef akte> <Car k ota> <car iling> ู้หาไม่เห็นอีกแหละอย่างว่าเห็นลูกเห็นได้เตียงเห็นลูปลูกต้องเห็นแะแต่ผู้เห็นน่ะใครเป็นผู้เห็นมันต้องหาตัวนั้นจิตเพเห็นจิตมันจ้องเป็นหนึ่งถ้าไม่ใจหนึ่งแล้วเขาไม่ใช่จิต จิตนั้นเป็นหนึ่งจิตไม่เป็นหนึ่งนะกลายเป็นใจใกายตัวจิตนั้นเลยกายเป็นใจนั้นที่มันหนึ่งมันเฉยเฉยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งความรู้สึกที่เฉยน่นนะแต่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่อะไรทั้งวัต มัคนความเยเชยอย่างนะ น, นั้นกลายเป็นใจจิตมากลายเป็นใจในคำเพในห น, นังสือเรืงต่างนั้นก็พูดว่าจิตอันใดใจอันนั้ น, ใ, น, ใ, นใจอันใดจิตอันนั้นท่านพูดสลับกันบางแห่งนั้นก็พูดเป็นจิตบางแห่งนั้นก็พูดเป็นใจ ยาท่านวู้ชมูดอะมโนปูพังขมาธรรมาทำทลายม่ใจถึงก่อนมโนคือใจ <c oughs> คุณนึกคุณน้อมนั่นแหละคุณนึกน้อมทีแรกนั่นไม่ใช่ไม่คิดนึกน้อมทีแรก น, นั่นแหละคือตัวใจ <c oughs> มโนติมโนมายาสำเร็จแล้วโดยใจ มโนเจตหามโนวายาใจเป็นของก็เสร็จสำเร็จแล้วโดยใจพูดก็จะพูดจะจาแล้วสำเร็จได้โดยใจ น, น, นั้นพูดถึงเรื่องมโนคือใจขันจิตและขนันนีพูดถึงเรื่องจิตอีกจิตตังกับพัสรังนะครับโอเกิเลสเซหิ ท่านพูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นของคัดสอนคือมันผ่องใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาอาคัรทุการกิเลสต่างากิเลสมันจอนมาที่จะเกิดกิเลสเพราะกิเลสมันจอนมาอันนี้พูดถึงเรื่องจิต คิดดูว่าถ้าหากจิตเป็นของเช่้าหมองแล้วใครจะทำให้บริสุทธิ์ได้ไม่มีเลยเหตุนั้นหนึ่งท่านเรียกว่าจิตตลางพัสรังจิตเป็นของพัชสอนอยู่ตลอดเวลาอคั น, น, นตุกะเจอคันตุะเจตงหากเพื่อมาลัวพันให้มัวหมอง ทำยังไงเย็รู้จักจิตปพัดสอนจิตกับใจนักข่ารวมกันะะนักข่านี่พูดถึงเรื่องจิตแล้วก็พูดเรื่องใจม า, ม, ม, าามารวมเข้าข่านี้มนรวมก็เป็นใจให้พูดเป็นใจนักขานี้เมื่อเป็นประพัด ส, สอนในรวมรวมเป็นใจความที่ประพัด ส, สอนนนหมายความถึงจิต ไม่คิดไม่เนึกไม่ปรุงไม่แต่งจึงจะเห็นจึงจะเห็นจิตนั่นเราเรียกว่าใจใช่เรียกว่าใจในที่นี้ถ้าคิดนั่นึกปรุงแต่งอยู่มันเศร้าหมองถ้าจิตหองใสแท้นั่นต้องสะอาดสะอาดจากความคิดของเนิบขงปรุงของแต่งจึงเรียกว่าใจ เรามาพยายามขัดกล่าวเกลียดตรงนั้นน่ะตรงอาคันตุกกิเกลียดตรงนั้ให้มันมีให้มันเกิดไปในที่นั้นจึงจะรู้เห็นจริงต่างๆต่างทำนใสสะอาดมันก็เห็นนด้สิจะไม่เห็นยังไงน้ําใสสะอาดบริสุทธ ย่อมองเห็นเงาหรือตนเห็นเงาตนเองได้เพชรมินจินดาเขาจรไนแล้วเป็นความใสสะอาดเพราะเนื้อมันเป็นของใสแต่เดิมถ้าหากเล็กไปลองดูแหละครับนี่ไม่มีอ่ะไม่มีฟองใสแล้วเพราะของไม่ใสสะอาดจิตของคนเราเป็นของใสสะอาดมาแต่เดิม เหตุนั้นขัดเกากิเลสมดมันจังเห็นความใสสะอาดจึงเรียกว่าจิตตังอ์พัสดุกานี้จะไม่เรียกจิตจะเรียกใจละคะัีมันเป็นสองอย่างอย่างเราเรียกไฟเนี่ยไฟคือความร้อนความร้อนก็คือไฟ แสงสว่างก็คือไฟกำจัดความมืดก็คือไฟไฟแท้คือความร้อนนั่นแหละเป็นไฟแท้ร้นอนในที่ใดไฟในที่นั้นไม่มีตัวมีตัวหาว่าอบอุ่นในที่ใดเรียกว่าธาตุไฟในที่นั้นน่นนอนนยาานนนอยู่ในนั้ำในบกก็ตาม อยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามเพื่อเรียกว่าไฝวจึงเรียกว่าใจคือของใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นเองในขณะที่เราทำความเพียรภาวนาไม่ต้องอื่นไกลละขณะที่นั่งทำว่าความเพียรภาวนาเนี่ย ถ้ไม erm ่ใจเป็นกลางๆที่เฉยสบายมันก็ถึงใจเท่านั้นเองควาสบายนั่นแหะเป็นใจคนเฉยเฉยนั่นแหะเป็นใจไม่มีอดีตอนาคตไม่มีบาปมีบุญตัวที่เฉยนั่นไม่มีอะไรทั้งหมด ความคิดความนึกควาปรุงควแต่งมันออกไปจากใจท่านเรียกว่าจิตจิตคือคิดคือ น, นี่คือปรุงคแต่งนั่นเรียกว่าจิตมากมายอ่นนั่นเป็นคนสรางส่วนใจไม่สรางสงบคองที่จิตเป็นคนสรางปรุงแต่งสัตวทุกอย่างในโลกอันนี้ ที่ทเป็นคนปรุงของแต่งแม้คนปรุงขงแต่งมันมีที่สุดคนใจแล้วหมดเรื่องไม่มีไม่มีขงแต่งเหตุนั้นพุทธศาสนาทึ้งสองก็ถึงใจคือสอนทั้งที่สุดคือเข้าถึงความบริสุดธ์ตนเองสุดได้ ที่สุดของทุกมันเองไม่มีทุกมีร้อนฉันเข้าถึงใจให้มันมีทุกมีร้อนหรอกไม่ปุงไม่แต่งไม่คิดไม่เลกอะไรหมดเรื่องเท่านั้นนะฉันปุงแต่งกัไปม า, ากมายหลงหลายไม่มีที่สิ้นที่สุดเหตุที่จริงว่าคนเราเนั่นน่ะ ไม่เคยเห็นใจของตนแต่น้อยแต่ใดมาเกิดก็เกิดเพราะใจในตายก็ตายเพราะใจฟุ้งแต่งคิดนั่นกแล้วสารพทุกอย่างก็ใจเพดคนทั้งหลายโดยส่วนมากพูดถึงเรื่องใจทั้งนั้นพุทธศาสนาก็พูดเรื่องใจใจบุญใจกุศลใจบาปแหนมหิด ใจคิดประทุแต่ไรสารพัดทุกใจใยใจนั้นน่ะใจไม่ดีไม่งามถ้าพูดถึงเรื่องความดีของงามล่ะใจบุญใจกุศลใจใสสหอาดบริสุทธิ์พูดถึงเรื่องใจอันเดียวใจมันต้องเป็นอันเดียวมันยไม่ไม่ไม่ใช่ มีหลายอย่างฉันหลายอย่างนะมันเป็นจิตต่าหาพุทธศาสนาสอนให้เข้ามาถึงตัวดิง ต, ตัวหนึ่งนี่แหละตัวใจนี่ยจึงจะเห็นเรื่องหลายเรื่องทั้งหลายทั้งหมดถ้าไม่เห็นตัวหนึ่งจะได้อะจริงทั้งหลายก็ไม่เห็นทั้งนั้นอย่างคนหลังอย่างเรานับนะนับหนึ่ง ขึ้นเบงต้นหนึ่งเดีวหนึ่งสองหนก็เป็นสองหนึ่งสามหนก็เป็นสามหนึ่งสี่หนห้าหนหนึ่งเก้าหนสิบก็เป็นสิบิแท้ที่จริงหนึ่งเดียวนะิแล้วก็นับหนึ่งอีกมนกันนับหนึ่งถึงถึงจิมันก็เป็นร0อยแท้ที่จริงนับอันเดียวนะจะลืม คนเราไปนับสองสามสี่ห้าลืมลักลืมหนึ่งเนี่ถ้านับล้มหนึ่งแล้วหมดเรื่องไม่ต้องไปงมงายของมันไม่ต้องมากออไปเหตุนั้นการทำภาอนาสมทธิทำตรงใจอันเป็นหนึ่ง น, นี้แให้ถึงใจ พุะศาสนาสอนอย่างนั้นสอนใจอย่างเดียวคนโดยส่วนมากเรื่องธรรมสมาธิภาวนาไม่ใช่หน้าที่ของเราหรอกเป็นเรื่องของพระพระก่อฟังท่านององค์ก่อนไม่ใช่หน้าที่ของเราหรอกเป็นเรื่องของกรรมฐานนู่นไฝ่ายนู่นแค่ที่จริงามีใจทุกคนนี่ใค้ให้เข้าหาใจแล้วก่อ เป็นกรรมฐานด้วยหลังนั่นน่ะเป็นภาวนาทางสมาธิอี่นั่นน่ะเ่นงาแต่เราไม่ทำอธิบายเป็นเรื่องใจให้ค้นหาใจให้พียรอ่านยติกอย่งนี้อบุญยังมีหลายอย่างคือทำบุญ อย่างหนึ่งทำทานอย่างหนึ่งทำพุศนอย่างหนึ่งมีหลายอย่างทำทานคือการเราให้เรียกว่าทานทานัานางเทติคือสิ่งที่เราให้วัตถุสิ่งของที่เราให้เรียกว่าทานไม่ต้องเลือกสิ่งอะไรก็งดมนุษย์ชัดให้ไปทางนั้นอะให้ได้ทางนั้นอะว่าจะของมีของไรให้เรียกว่าให้ทาน นั่นเรียกว่าในทานจะเกิดศรัทธาไม่เกิดศรัทธาก็เอาเท์ให้ทั้งนั้นอ่ะย่างให้ใหญ่ขเขามไม่ยก้ลายให้ไปงี้่ะมนคิดขึงนบนนึกกุศลแก้ลำคานให้ไปใช่ไหอันนั้นเรียกว่าทานอันเรียกไอ้ทางบุญนคานี้เกิดศรัทธาเรื่องใสตั้งเจตนาที่ว่าบุญจริงๆงจังๆ เลื่อมใสศรัทธามาทําบุญแล้วจะได้บุญอ น, นิสงส์เั่งยืนจะได้ควาสุขในมนุษย์สมบัติสวรรค์วิวรณิพานสมบัติอะไรต่างๆคือต้องการแในปรารถนาแท้ๆนี่การทําบุญนั่นน่ะปรารถนาผลตอบแทนมันไมเรียกว่าทําบุญทํำกุศล้วค่ะ น, น, นี่เจเจอจิตที่มีคิดนึกดี ความดีความชอบลงต่างเป็นกามาวระจรองคุศลรูปารวจรกุศลอรูปาวจรคุศลคิดด้วยใจไม่ได้ระจากฆ่าอะไรต้องทางภายนอกคิดด้วยใจคุศลนี่ที่เป็นในรูปารวจรก็มีการพิจารณากรรมฐานนี่แหละ ในพิจารณาสังขารร่างกายของเราเรื่องปฏบารจรวาูปารวจรพิจารณาทังเรื่องจิตอารูปปารวจรพิจารณาทั้งเรื่องจิตโลกุดดอนหมายความนึ่งกุศลที่ป่าจะจากความอยากอังวทั้งหมดแต่ว่าทำเพื่อประดับสติเพื่อระดับในใจขงตนเท่านั้นไม่ได้ป่าธนาเลย คือผู้ที่ถึงว่าผลนิพพานสูงสุดแล้วถ่าไม่มีหมากมีพุดอะไรแล้วแต่ว่าทำไปเพื่อประดับจิตเมื่อมีชีวิตยอยู่นั้นเรียกว่าผู้สนเห็นนั้นเราทำนี้ทำทานแล้วแล้วทำบุญแล้วแล้วก็ทำผู้สนอีกคือนั่งก้านานี่เนี่ยของสูงโดยลําดับเพราะฉะนั้นเอง ตั้งใจทํำภาวนาสมาธิให้มันแน่วแน่คิดให้มันลงหนึ่งปล่อยวางงดทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้ไม่มีอย่าไปคิดนึกถึงนมาเลยของที่ลงมาแล้วตอนนั้นดีดอนาคตอนาคตข้างหน้าก็ไม่ต้องเอามาคานึงถึงอ่ะเอาปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละให้นแน่วแน่ลงเต็มที่อ่ะมันจะลงได้โดยประกาศใดก็ให้มันลงมาเถอเบื้องต้นให้คําให้บริกรรมภาวนา พุทโธหรือว่าอย่านาปัสสติหรือนิพพ์หนอเพาหน่อยอะไก็ตามสมหาหลานกัฉันขอให้เอานั้นเป็นอารมณ์เมื่อจิตมันรวมไปแล้วนั้นรอยวางมดของมันั้นมันวางเองถึงไม่วางก็ต้องวางถึงไม่วางเองก็เราก็ต้องวางเหมือนกันเอาความที่มันนิ่งแน่วอยุดนิ่งแล้นน่ะเห็นใจของเรานัเนี่ะ เป็นของสำคัญอย่างยิ่งเพราะการเห็นใจนี้เป็นของเลิศเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้รู้จักผู้เรื่องของตนถ้าไม่เห็นเรื่องไม่เห็นใจของตนแล้วทำดีทั้งชือง่อคนไม่รู้ทั้งนั้น